กราบของอกาสพระจันทรย์ทรงศิลป์กราบขอโอกาสพระจันทร์วัฒนชัยของการเพรื่อนศาตยมิกเจริญพรแม่ชีแล้วก็พวกเราญาติโยมอุบาสกบาสิกาอืพวกเราก็มาปฏิบัติธรรมกันอืมมาปฏิบัติธรรมก็เป็นคําที่ตรงตัวมากๆนะมามาทําเรื่องที่มัน เป็นเป็นธรรมเนาะทำเรื่องที่มันเป็นธรรมตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าคือชีวิตเราก็น่ตแต่เกิดมาเนาะเราก็ทำเรื่องนั้นทำเรื่องนี้หลายอย่างเนาะก็ดีนะแต่ว่าทำเรื่องพอทำเรื่องขึ้นมานี่มันเป็นเรื่องทุกทีท้ายสุดก็เกิดความไม่สบายกายเกิดความไม่สบายใจ เกิดความก็เรียกว่าเดือดเนื้อร้อนใจไม่มากก็น้อยอย่างนี้เนาะอย่างนั้นตรงนี้ก็มันเป็นเรื่องที่ชีวิตเราก็เป็นแบบนี้เพราะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เราไม่ได้แบบว่าเหมือนกับทําตามทำทําตามทำถ้าเกิดว่าเราทําตามทำเนี่ยชีวิตเราจะแบบเคยนว่ามันจะงดงามขึ้นแต่งดงามขึ้นก็พวกเราก็ อยู่กันมาหลายวันนะหลายวันนี่ก็เข้าวันท้ายแล้วสังเกตไหมเวลาที่พวกเราอยู่กันหลายๆคนเนี่ยเรพราะต่างคนต่างเหมือนกับสนใจพัฒนาตัวเองนะแบบมันก็เกิดความก็เรียกว่าเกิดความสงบสุขนะเกิดความสงบสุขในภาพรวมๆของการอยู่ร่วมกันก็ไม่มีการทะเลาะบบาแว้งกัน ไม่มีการก็เรียกว่าการไปติฉินนินทาคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆนานาใช่ยอ่างเนี่ยต่างคนก็ต่างมุ่งที่จะพัฒนาตัวเองตรงนี้เป็นสิ่งที่เป็นการพัฒนาตัวเองที่ต่างจากที่แล้วๆมาเนาะของพวกเราบางคนก็พัฒนาตัวเองด้วยการซื้อรองเท้าใหม่ซื้อกางเกงใหม่เนาะตัดเสื้อใหม่อะไรต่างๆนานาเหล่านั้นเราก็ พัฒนากันเป็นแบบนั้นมานานแต่ว่าตรงนั้นมันก็มันก็เหมือนกับเราก็มีชีวิตสดใสขึ้นเนาะเป็นครั้งครังครั้ ง, ง, งแต่ว่าชีวิตที่สดใสขึ้นมันก็มันก็หายสดใสไปก็เร็วอันนี้ตรงนี้ละ่ะมันเป็นเรื่องที่ <c oughs> มีคําถามนะพอดีมีกลุ่มนะครับกลุ่มคนต่างชาติเข้ามาเรียนรู้เรื่องเรื่อง สิ่งแวดล้อมนะอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าเขาได้ยินนะได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องพระสงฆ์ ก, กับการพัฒนาสังคมเนี่ยเป็นยังไงนก็ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นอย่างที่พวกเราทำกันมาคือต่างคนท่านต่างสนใจที่จะพัฒนาตัวเองเนาะแล้วก็วิธีการที่พัฒนาตัวเองที่ถูกทางเนี่ยเราก็จะพบว่า สังคมของพวกเราที่เป็นใช่ไหมเป็นหลายๆคนอยู่ร่วมกันตรงนี้เนี่ยก็เกิดความสงบสุขขึ้นมาแล้วก็ในขณะที่สังคมเนี่ยสงบสุขขึ้นมาตัวของพวกเราเองก็ดีขึ้นมาด้วยเมื่อกี้พระจารยร์พระธนชัยก็่าสวดนะโอวาทปาฏิโมกใช่การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาวลอมเนี่ย ลองนึกดูในหลายๆวันมานี้เนาะพวกเรามีคุณสมบัติอันนี้ติดตัวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ยมีคุณสมบัติติดตัวกันแน่นอนใช่ไหมครับมีไหมมีใครทะเลาะกันมั้งยังไม่มีนะไม่มีใช่ไหมอย่างนั้นนั่นก็คือตรงนี้นะครับการที่เรานะครับอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยหมายถึงว่าเรามีสตินะครับที่จะคอยกํากับเนาะ การเคลื่อนไหวของเรามีสติที่จะคอยกากับการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งตรงนี้ขึ้นมาเนาะในทันทีการไม่ทำบาตทั้งปรงก็เกิดขึ้นนะการทำกุศลให้ถึงพร้อมก็เกิดขึ้นการชําละาจิตของตนให้ขาวรอบก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นพร้อมกันเลยทีเดียวเนาะกับการที่เรากลับมาพัฒนาตัวเองเนาะผ่านการที่เราเคลื่อนไหวเนาะรู้เนาะ รู้กายเคลื่อนไหมาเป็นครั้งครัู้้กายเคลื่อนหมเป็นครั้คงครตรงนี้นะว่าอย่นั้นในหลายวันที่ผ่านมาพวกเราอาจจะสังเกตตัวเองจากวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนเนาะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนจะนั่งจะลุกเนี่ยหลวงพ่อว่าพวกเราเนี่ยคงต้องมีค <c oughs> งต้องมีการเติมนะความรู้สึกตัวก็ไปนะผ่านการนั่งเติมความรู้สึกตัวก็ไปผ่านการลุกเนาะ เติมสติเข้าไปเนาะผ่านการที่เราจะพูด จ, จาเนาะอย่างเงี้ยนมวพ่าว่าไม่ใช่พวกเราอยู่ด้วยการที่มีไม่เลียวบังคับไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่านั่นคือมันเหมือนกับว่าพวกเราเองก็ได้ระลึกถึงเนาะเหมือนกับครูบาอาจารย์เนาะอาจารย์ทรงศิลป์อาจารย์สมใจต่างๆก็อาจจะได้บอกพวกเราเนะว่าเหมือนกับว่าลองตั้งใจเติมความรู้สึกตัวเข้าไป ในอิริยาบถต่างๆนอกเหนือจากที่เราเคลื่อนไหวเป็นครั้งครั้งเป็นครั้งครังไปตรงนี้ตรงนี้คือมันเป็นสิ่งที่เราเนาะไม่เคยนึกจะเติมหลวงพ่อเองไม่เคยนะครับเมื่อก่อนก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่จะมาปฏิบัติธรรมนะครับก่อนหน้าที่จะมาเข้าวัดเข้าวาไม่เคยนะครับเราก็พูดได้นะครับหัดพูดตั้งแต่แปดเก้าเดือนอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็หัดพูดถัดเดินต่งตนานาเหล่า น, า น, านี้เราก็ เดินได้เนาะพูดได้เนาะแต่ว่าการเดินของเรานะครับเราพาตัวเองเดินไปหาเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจกี่ครั้งนะครับการที่เราพูดนะครับคำพูดของเราพาไปหาเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจกันกี่ครั้งอะย่างนี้ยแต่ว่า น, นั่นคือตรงนี้ใช่ไหมครับพอเวลาที่เรานะครับมาหัดนะครับหัดที่จะรู้สึกตัวเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่หัดปุ๊บนะครับเราก็หยิบเครื่องมือ อันที่มันมีอยู่ในตัวเรามาตั้งนานเนาะใช่ไหม ej? ครับคือเครื่องมือที่เรียกว่าสตินะครับเครื่องมือที่เรียกว่าความรู้สึกตัวเนี่ย mm. มาใส่ไปนะครับไปกับกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยใช่ไหมครับแต่เนี้ยมันก็เกิดผลนะมันก็เกิดผลใช mm. <ๆ>่ไหมครับเกิดผลว่าเออนี่เวลาที่เราเคลื่อนไหวเป็นครั้งครเป็นครั้งครนะครับมันอาจจะรวมเป็น14จังหวะหรืออาจจะรวมกันเป็นเรื่องของการจงกลมก็ตามอย่างเนี้ยแต่ว่านั่นคือหมายถึงว่า การที่เราคอยนะครับคอยที่จะรู้นะครับคอยที่จะรู้เป็นครัง้งครั้งคอยรูเป็นครั้งครั้งตรงนี้เนี่ยปรากฏว่านี่คือสิ่งที่เราทําได้ดนะังเราทําได้ทําได้แล้วก็ให้ผลด้วยใช่ไหมครับอย่างนี้นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมเนาะเป็นการปฏิบัติธรรมพุทธเจ้าบอกเอาไว้นะครับว่าเราลองนะลองนะธรรมะเนี่ยนะครับ ธรรมะเนี่ยปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จํากัดการนะครับให้ผลแบบไหนนะครับให้ผลก็คือความเดือดเนื้อร้อนใจลดลงใช่ไหมครับอย่างนี้ความเดือดเนื้อร้อนใจลดลงเราจะเรียกว่าทุกน้อยลงก็ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้นั่นคือตรงนี้นะครับว่าความเดือดเนื้อร้อนใจนะครับก็ชัดเจนเนาะว่าเราจะรู้สึกอยู่ในใจเราอย่างเงี้ยพอเวลาที่เราวัดผลการปฏิบัติธรรมนะครับ เมื่อเราลองวัดผลกับจิตใจเราเนาะใช่ไหมครับอย่างนี้จิตใจของเราในหลายๆวันวันนี้มันวุ่นวายเหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือว่ามันมีใครคอยดูอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับหผมภาพว่าพวกเราน่าจะเห็นนะครับจิตใจของเราเอ้าเผลอไปนะครับเรากําลังทําอันนี้ไปเอ้าจิตใจมันเผลอไปนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวก็ดูแลอยู่ใช่ไหมครับเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะเผลอไปคิดใช่ไหมครับ โอ้คิดไปครึ่งเรื่องกลับมาได้แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไห ม, ค ร, ไรไมครับอย่างนั้นอะไรเงนี้ยถูกไหมครับอย่างนั้นบางทีก็อืมเรายังรู้นะวา่าอ๋อนี่คิดไปทั้งเรื่องแล้วถึงได้กลับมาแต่ว่าเวลาที่เมื่อก่อนเราอยู่ในสังคมรู้หรอครับไม่มีทางใช่ไหมครับไหลไปไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องใช่ไหมครับอย่างนี้แต่นี่คือณนะตอนนี้เรามีสิ่งที่เราเรียกว่าความรู้สึกตัวนะที่จะช่วยเรา มีไหมดูสิครูเองก็ตามนะครับที่เคยเตือนเราตั้งแต่เล็กๆใช่ไมครัอา้าวอย่านั่งเหมา อ, อย่านั่งใจลอยอะไรต่างๆตอนนี้เราโตขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับใครจะมาเตือนเราแต่ว่านี่คือในขณะที่การเคลื่อนไหวทุกก้าวของเราอย่างเงี้ยใช่ไหมครับโอ้นี่ก้าวนี้นะครับก็มีการเตือนใช่ไหมครับมีการทักท้วงใช่ไหมครับอ้าวนี่เราใจลอยไปไหมนี่เราเผลอไปคิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับนี่คือตรงนี้นะครับเคยเรียกว่า เราหัดใช้นะครับหัดใช้สติพอหัดใช้ปุ๊บเนี่ยก็ได้ผลทันทีเลยใช่ไหมครับอย่างนี้ชีวิตเรานะครับจะมีสิ่งที่มาคอยช่วยดูแลมาคอยช่วยดูแลกายเรามาคอยช่วยดูแลใจเราอย่างนี้หลายๆวันวันนี้หลายเรื่องนะครับที่เราไม่ได้ทำใช่ไหมครับอย่างนั้นเป็นอะไรกันไหม <laughs> ปุ่นหัวตัวรอดกันหรือเปล่าที่ไม่ได้ทำใช่ไหมครับ บางทีเมื่อก่อนแล้วอาจจะมีความรู้สึกเหมือนนี้ว่าขาดเรื่องนี้ไปแล้วอาจจะต้องตายหรืออะไรต่า ง, างๆใช่ไหมครับไม่ตาย <laughs> มีแต่ดีขึ้นครับ <laughs> นั่นคือตรงนี้นะครับหลายๆวันมาแล้วอาจจะขาดความเคยชินไปหลายๆอย่างความเคยชินพวกนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราทำบ่อยๆเนาะไม่ได้ทําก็หงุดหงิดนะครับแต่พอหลายๆวันห่างมันก็หางได้นะไม่เป็นไรโลกก็ไม่ถลม่มโลกก็ไม่ทลายอย่างนี้ ใช่ครับนั่นก็คือตรงเนี้ยในขณะที่เรานะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับว่าเอ๊ะการที่มานั่งยกมือ น, นะครับได้อะไรนะครับแต่พรานั้นคือสิ่งที่ได้โดยไม่รู้ตัวก็คือเราได้การหัดใช้นะครับหัดใช้สติไปกับการเคลื่อนไหวของเราหัดใช้สติไปกับการเคลื่อนไหวของเราสติก็คอยช่วยนะครับคอยช่วยให้เราลุกให้เรานั่ง แล้พอนึกถึงเนาะตอนเด็กๆตอนเด็กๆก็เห็นภาพตัวเองอยู่เป็นประจำนะนั่งลงไปก็ใช่ไหมครับเก้าอี้มีน้ําเปียกอยู่แล้วก็ไม่ทันได้ดูนะนั่งลงไปอ้าวกางเกงก็เปียกน้ำใช่ไหมครับอย่างนี้นั่งลงไปก็ไม่ทันได้ดูมีอะไรเลอะเลอะเทอะเทอะไม่นั่งลงไปก็ก้นก็เลอะเทอะอะไรต่างๆนานาบางทีนั่งลงไปก้นไม่ถึงที่นั่งครับมันมันไม่ เราไม่มีสติที่จะคอยดูว่าเอ๊ะตรงนั้นมันมีที่ที่เราจะนั่งจริงๆหรือเปล่าก็หย่อนก้นลงไปเฉยๆอย่างงี้ใช่ไหมครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้ตรงนั้นนะครับเรามองเห็นไหมว่าออาการที่เป็นแบบนั้นนะเพราะว่าเราขาดสติแต่พอเวลาที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนะครับเราก็ได้นั่งนะเราก็ได้ลุกนะแต่ว่านี่คือในขณะที่เราจะนั่งใช่ไหมครับถ้าเราเติมความรู้สึกตัวเข้าไปเนี่ยตรงนั้นก็จะเป็นที่นั่งที่ดีสําหรับเรา เราก็จะได้นั่งที่ดีๆเนาะอย่างนั้นทํานองเดียวกันหลวงพ่อว่าการที่เรามาปฏิบัติธรรมกันบางทีมันถูกบังคับเนาะอย่าเพิ่งลุกนะอย่าเพิ่งนั่งนะใช่ไหมครับอย่างนี้หลวงพ่อไม่เคยรู้ขีดความสามารถของตัวเองนะ เมื่อก่อนเราก็คิดว่าโอ้เราคงทําไม่ได้เราคงทําได้เราคงอะไรต่างๆนั้นเราคิดเอาแบบนี้นะครับอันนี้เราทําได้แน่นอนอันนี้เราทําไม่ได้แน่นอนนะครับคําว่าแน่นอนเนี่ยมีอยู่เสมอๆ อ, อย่เงี้ยแต่พอเวลาที่เรามาปฏิบัติทำอือใช่ไหมครับเวลานี้นะครับครูบาอาจารย์ยังไม่ให้เราลุกขึ้นมานะครับเราก็นั่งต่อเออ ม, มันก็นั่งได้นะไม่เป็นไรใช่ไหมครับอย่างนี้บางทีตรงเนี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ เราได้เรียนรู้เรื่องที่เราเคยคิดเอาว่ามันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนี้แล้วเราก็เชื่อความคิดของเรานะครับแต่พอเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงๆเนาะที่เราเข้าไปพบนะครับเข้าไปเห็นนะครับเรื่องราวของตัวเราเองที่เราไม่รู้เนี่ยเยอะแย ะ, ย ะ, ย ะ, ยะกายของเรานะครับก็ทาเรื่องนู้นเรื่องนี้ผ่านบัผนผ่านคืนมาไม่รู้กี่ปีกี่ปีนะครับอย่างนั้นก็ดำลงชีวิตอยู่ได้นะแต่ว่านั่นคือ เราก็ดำลงชีวิตยอยู่อย่างทุกทุกสุขๆใช่ไหมครับอย่างนั้นอะไรเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยเราลองทบทวนดูนะว่าในหลายๆมันที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมครับเราอาจจะมีความไม่เคยชินนะครับในหลายๆเรื่องแต่หลวเพราะว่าเรื่องที่มันจะทําให้เราทุกข์ใจค้างคางอยู่นานๆเนี่ยไม่มี <c oughs> นะครับไม่มี <c oughs> เพราะว่านั่นคือมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับพอเวลาที่เรา เข้าถึงเวลาที่เราจะต้องเอาเวลานี้มานั่งปฏิบัติธรรมกันเวลานี้มาหัดนั่งยกมือกันเวลานี้มาหัดเดินจงกรมกันเนี่ยเวลาพวกนี้แหละครับที่มันจะแย่งเวลาทุกข์ของพวกเราเมื่อก่อนเรามีเวลาทุกข์เต็มๆนะแล้วก็เวลาที่เราก็วิ่งไปหาความทุกข์เต็มๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นคือเราไม่รู้แยกไม่ถูกนะครับว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขนั้นเราก็ไม่ได้สังเกตนะว่าไอ้สิ่งที่เป็นสุขเนี่ยที่เรากําลังเรียกว่าเสพสุขเนี่ย ท้ายสุดเราก็ได้ความทุกมาใช่ไหมครับอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจจะเป็นความสุขทางกายเดียวเดียวเดาๆนะครับแต่ท้ายสุดทุกทางใจเนี่ยที่มันประทับรอยเอาไวน้น่ะบางทีมันเป็นรอยนา น, นานอย่างนี้หนูพ่อว่าแบบนี้ล่ะครับที่สี่ห้ามันมันเนี่ยไม่มีหนูพ่อว่าไม่มีถ้าเรามองกันจริงๆนะครับชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมันนึ่งที่เราจะหงุดหงิด เอากับคนนั้นเอากับคนนี้หนึ่งต่างนานาวมพอบ้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่สั้นมากนะครับกับที่นี่กับการที่เราอยู่กับการปฏิบัติธรรมใช่ไหมครับอย่างเนี้ยตรงนี้ก็ให้เราได้เห็นนะครับว่าในขณะที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราเอาธรรมมาใช้เนาะเมื่อเราเอามาทำมาใช้นะครับผล น, นะครับก็เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับบทนะครับบทสดมนนะครับที่พุทธเจ้าเนี่ยได ในเหมือนกับว่าได้ให้ไว้ที่เราเรียกว่าเป็นพัะธรรมที่เรามาสวดกันเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าทุกบททุกตอนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่นะครับบอกแนวทางปฏิบัติให้เรานะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นผลนะครับของการปฏิบัตินะครับอย่างนั้นตรงนี้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่เราลองคร้ครวญดูนะครับ การที <lavoro. S 2> ่เราอยู่กับทางโลกเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินได้ยินได้ฟังนะครับอาจจะมีเรื่องดีๆหลายเรื่องนะแต่หลวงพ่อว่าเรื่องดีๆพวกนั้นบางทีมันเป็นเรื่องที่เป็นความรู้นะครับเป็นความรู้ที่เราอยากรู้อยากเห็นมีเรื่องนั้นใหม่เรื่องนี้ใหม่แต่หลวงพ่อว่าเวลาที่เราอยู่ที่นี่เนี่ยบทสดมนเช้าบทสดมนเย็นเนี่ยหลวงพ่อมันเป็นความรู้ที่มันผสานไปกับการปฏิบัติของเราการที่เราคอยรู้สึกตัวการที่เราคอยรู้สึกตัวเนี่ย ตรงนี้เราก็ได้หยิบเอาทำนะครับพัฒธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยขึ้นมานะครับขึ้นมาทำในขณะที่เราทําเรื่องที่พระพุทธเจ้าบอกเนี่ยนะครับบทสดมนนะครับที่เราสวดกันอยู่ทุกวันทุกวันบางคนอาจจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอตรงนี้ไม่ได้สะดุดหูเราตั้งแต่วันแรกๆเนาะแต่ทําไมวันนี้เนี่ยมันมีความหมายที่เรารู้สึกว่ามันมีความหมายมากขึ้นใช่ไหมครับในนั้นตรงนี้นะครับบทตอนแตะลายานตะลยานตัวเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้นะครับว่า พระธรรมเนี่ยนะครับในพยัญชนะตัวนี้เนี่ยมีอัฏฐะนะครับนะครับมีความหมายที่ลึกซึ้งนะอย่างเงี้ยเรื่องความหมายที่ลึกซึ้งเนี่ยมันเหมือนกับว่าให้คล้ายๆใช่ไหมครับเหมือนกับเราลงไปในบ่อน้ำเนาะบางทีเราก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าบ่อน้ํานี่มันลึกแค่ไหนพอไปเราเราเดินลงไปเดินลงไปเดินลงไปความลึกตัวนั้นมันก็มันกยังเป็นบ่อน้ําบ่อเดิมนี่แหละใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีความลึกลึกลงไปเรื่อยเื่ลึกลงไปเรื่อยๆ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นความลึกตรงนี้เนี่ยมันลึ ก, ล, ก onents, ลึกเข้าไปในไหนลึกเข้าไปในใจที่ทำให้เราเกิดความเข้าใจที่มากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพอเรารู้สึกว่าเข้าใจอะไรมากขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วนี่ตรงนี้คือมันเป็นสิ่งที่สิ่งที่เราเข้าใจมากขึ้นเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของตัวเราเองนี่หละเป็นเรื่องของตัวเราเองนะครับธรรมะ เป็นเรื่องของตัวเรานะครับการที่เราปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้เราได้เห็นนะครับรู้จักตัวเราเองจริงๆตัวเราไม่ได้ว่ามีแขนสองแขนขาสองขามีตาที่มองได้สองข้างนะครับไม่ได้พิกลพิการอะไรไม่ได้อ้วนไม่ได้ผอมหน้ากลมหน้าเรียวไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่านี่คือกายของเรานะครับมันเป็นสิ่งที่เราจะใช้นะครับใช้เข้าทางานอย่างนี้ใช่ไหมครับ จิตใจของเราเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าคอยกํากับเนาะคอยกํากับกายนี้อย่างเนี้ยใช่ไหมครับอย่างนั้นถ้าเกิดว่าใจลอยไปร่างกายมันก็ทํางานได้นะเพราะมันเคยที่จะทํางานเคยเดินก็เคยนะครับเคยหยิบช้อนหยิบซ้ําเคยทํานู่นทํานี่ทํากันมาเป็น 20-30 ปีทําได้ครับแต่มพระนั่นคือทําอย่างเลื่อนลอยใช่ไหมครับทำอย่างที่ไม่มีใจอยู่ด้วยอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยถ้าเราลองเทียบดูเนาะเวลาที่เราอยู่กับชีวิต เมื่อก่อนนะครับการที่เราทําอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ใจไปทางหนึ่งเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยอาจจะเคยว่าคนอื่นแต่ว่าจริงๆพอเวลาที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยใจเราลอยไปลหลายหลายครั้งแต่ตรงนั้นน่ะเพวกเราสังเกตรหรือเปล่าว่าอะไรอะ่ะเป็นตัวที่เห็นใช่ไหมครับคือเครื่องมือที่เราหยิบขึ้นมาใช้นี่แหละเป็นตัวที่เห็นใช่ไหมครับอย่างนั้น แต่ว่าตรงนั้นพวกเราเห็นไหมครับว่าในขณะที่เราเห็นเนี่ยเราจะจะเกิดความแบบว่าอาจจะมีความไม่พอใจเนาะอยู่ในนั้นตรงนี้ให้พวกเราได้ลองดูนะว่าเออมันเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นนะครับในการเห็นของเราอย่างเงี้ยเวลาเห็นปุ๊บนะครับมันไ่แจ้แค่เห็นเฉยเฉยนะเห็นแล้วมันก็ไหลไปชอบเห็นแล้วมันก็ไหลไปชัง นะครับเห็นแล้วไหลไปชอบไหลไปชังยังไม่พอนะครับยังมีการก็เรียกว่าหลงไปคิดต่อๆตอๆตอๆไปอีกอย่างเงี้ยแต่พอเวลาที่เรานะครับอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยเวลาที่เห็นบางขณะก็มันไม่มีความชอบไม่มีความชังเกิดขึ้นนะเห็นเฉยๆอย่างเงี้ยหลือว่าเพราพวกเราคงได้สังเกตเห็นแหละแบบเนี้ยแบบนี้แหละครับที่ว่าเ้าเรียกว่ามันเป็นการรู้ซื่อๆเนาะ นะครับแบบว่าเป็นการที่เราเนี่ยเหมือนกับว่าอืรู้สึกตัวนะเห็นนะครับก็เห็นก็เห็นตาเราก็ทําหน้าที่เห็นแต่เมื่อก่อนเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเกิดความชอบเกิดความชังเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดความไม่ลงรอยกันระหว่างเรากับเขาระหว่างเรากับคนอื่นใช่ไหมครับมีไหมที่เราเถียงกันคนนี้ว่าอันนี้สวยคนนี้ว่าอันนี้ชอบแต่วเวลาว่าไม่ชอบแล้วว่าไม่สวยอะไรเนี้ย ท้ายสุดแล้วก็เอาความคิดเห็นของตัวเราเองเนี่ยเป็นที่ตั้งใช่ไหมครับแล้วเราก็เชื่อความคิดของเราแล้วเราก็เถียงกันนะครับเถียงกันมันมีศัพท์ทําอยู่คำหนึง่งบอกมันเป็นเช่นนั้นเอง <g ur ling> เพราะเราคงเคยได้ยินนะมันก็เป็นแบบนั้นละ่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะให้เราต้องไปชอบไม่ให้สิ่งที่เราต้องไปชังเพราะถ้าเกิดว่าเราไปติดชอบติดชังนะครับเราก็จะไม่ได้ไปนสนใจอย่างอื่นนะครับเกิด <game> ความขัดแย้งกันเกิด <game> ความทะเลาะวิวาทกันเกิด <game> ความบาดหมางกันกนะครั <game> <แ> บ, บ <Idea> เกิดไอสิ่งที่จะเป็นกุศลนะครับการทํากุศลก็ไม่เกิดนะครับอะไรต่างๆนานานเหล่านี้นะครับใช่ไหมครับมันเป็นไปไม่ได้แต่พอเวลาที่เราอยู่กับธรรมนะครับเวลาที่การที่เรานะครับได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่าเออใช่ไหมครับรู้คิดกลับมารู้สึกตัวก่อนรู้คิดกลับมารู้สึกตัวก่อนเนี่ยจังหวะที่เรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยเคยสังเกตไหมครับ ว, ว่าความคิดมันสะดุดต่อสะดุดลง นะครับบางทีสิ่งที่เราคิดคิดอยู่นะครับเมื่อก่อนนะครับมันเราคิดแล้วมันก็หายแวบไปนะครับเราจะกําลังจะพูดอะไรกับเพื่อนสักอย่างเนี้ยใช่ไหมครับเมื่อกี้เราจำมาเนาะกำลังจะพูดไปมันหายไปไหนอะไรอย่างเ ง, งี้ยนะครับเราลือลือเท่าไหร่ก็ลือไม่ได้นะครับว่าเอ๊ะเมื่อกี้จะพูดอะไรเนาะจําไม่ได้อันนั้นมันเป็นเรื่องของความบังเอิญเนาะแต่วเวลาที่เราอยู่กับการปฏิบัติธรรมนะครับการที่เรากลับมารู้สึกตัวเนี่ย ไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจก็มันก็หายไปนะครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมันเป็นความเศร้าส้อยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเนาะเราลองรู้สึกตัวเนี่ยความเศร้าส้อยมันสะดุดลงบางทีมันต่อไม่ติดเหมือนกันนะอย่างเงี้ยหรือบางทีเป็นความโกรธก็ดีอย่างเงี้ยใช่ไหมครับควานโกรธเกิดขึ้นเนี่ยลองกลับมารู้สึกตัวดูสิใช่ไหมครับความโกรธมันเหมือนกับถูกถูกอะไรมาขวางอยู่นะครับมันก็ต่อไม่ติดเหมือนกันนะ ใช่ไหมครัอย่างนี้เหมือนก็ความคิดที่มันหายไปเลยอย่างเงี้ยนั่นนั่นคือตรงเนี้ยเราลองสังเกตดูนะครับว่างบางทีเราอาจจะบอกว่าเราทําไม่เป็นเราทําไม่ได้นะจริงๆไม่ใช่ <c oughs> ระวังมากเกินไปต่างหาก <c oughs> ใช่ไหมครับอย่างนั้นระวังมากเกินไปจริงๆอนะธรรมะเนี่ย <c oughs> ปฏิบัติได้และให้ผลได้นะครับสมควรแก่การปฏิบัตินะครับอย่างนั้นตรงเนี้ยนะครับเราลองนะครับลองดู การปฏิบัติธรรมแบบหลวงพ่อเทียนนะครับการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อคำเขียนนะครับที่เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราจะเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์ทรงศิลป์อาจารย์สมใจเลยอาจารย์มาตนชัยเลยก็ดีตรงเนี้ยนะครับก็คือท่านเองท่านให้แนวทางเอาไว้ใช่ไหมครับท่านให้แนวทางเอาไว้แล้วก็สิ่งตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ท่านก็บอกอยู่นะครับว่าให้เราเนี่ยได้เอานะครับ ความรู้สึกตัวที่อยู่ในรูปแบบเนี่ยเราขยายออกไปลองขยายออกไปใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเวลาที่จะบอกให้พวกเรานะครับเวลานี้เป็นเวลาถึงเวลาอาหารใช่ไหมครับอาหารเพลแล้วนะครับเวลาที่เราจะลุกจะนั่งเนี่ยนะครับลองเติมความรู้สึกตัวเข้าไปซิหรือว่าเวลาที่เราไปตักอาหารเนี่ยลองสังเกตดูจิตใจของเราซิอะไรเงี้ยคือตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่เราสังเกตกันได้ แต่นั้นคือถ้าเวลาที่เราไม่สังเกตละใจเราไปอยู่ไหนใช่ไหมครับใจเราก็จะไปนึกถึงอาหารที่เราว่าเอ๊ะวันนี้จะมีอะไรบางทีเราก็คิดมาอาจจะมีอันนั้นอันนี้กอขอก อ, องอแต่พอเว่าเห็นเข้าเอ๊ะมันไม่ใช่กอขอก อ, องออย่างที่เราว่าเอ๊ะว้ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะแล้วพอเวลาที่ตักเข้าไปเข้าปากอมันก็อร่อยเหมือนกันนะหรืออะไรต่างๆแบบนี้ใช่ไหมครับดูจิตใจเราเนาะ มันในเวลาชั่วเวลาประเดี๋ยวประดาวนะครับมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่านี่คือการที่เราไม่คอยรู้สึกตัวเนี่ยเรื่องราวต่างๆนานานี่มันชวนเราหลงง่าย <k. S 2> ๆนะแต่ผมพะว่าพอเวลาที่เรารู้สึกตัวนะครับเวลาที่เราหัดนะครับที่จะดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในกายเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเราจะไม่ดวนเนาะ จะไม่ด่วนตัดสินจะไม่ด่วนว่าชอบบ้านชัางเลยต่างๆนะนะเราจะคอ ย, คอยดูรับตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าถ้าเราเนี่ยนะครับหัดไปหัดไปเนี่ยเรื่องราวพวกนี้มันจะต่อเชื่อมกันมากขึ้นมากขึ้นนะครับการที่ตอนนี้เรารู้เป็นครัง้งครับางทีลุกครั้งนี้ก็เผลอไปใช่ไหมครับลุกเผลอไปอ้าก้าวเดินมาต่อไปแล้วก็ก้าวต่อได้นะครับบางทีก้าวไปก้าวไป สองข้างทางอันนั้นมันก็น่าสนใจนี้มันก็น่าสนใจใจเราก็ไปอีกแล้วเราก็กลับมาได้เหมือนกันกลับมารู้สึกตัวได้เหมือนกันตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่วันนี้เราหัดใช่ไหมครับวันนี้เราหัดเราก็ทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างแต่เพราะนั้นคือถ้าเกิดว่าเราหัดแบบนี้นะครับหัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมพ่าว่าเราจะเก่งขึ้นเก่งขึ้นนะครับพื้นที่ของความรู้สึกตัวในชีวิตเราเนี่ยมันจะมากขึ้นมากขึ้นพื้นที่ของความที่ เป็นความทุกข์ความหลงมันก็น้อยลงน้อยลงตรงนี้นะครับมันก็เรียกว่ามันเป็นปฏิกิริยาที่มันเป็นไปอย่างนั้นเองครูบาอาจารย์ก็น่าจะบอกอยู่เสมอเสมอว่าถ้าเราทําเหตุที่ดีเนี่ยผลที่ดีเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหาก็คือความหวังของเราใช่ไหมครับที่เราหวังมากไปกว่าความเป็นจริงความหวังมันเป็นความคิดเนอะรู้ว่าคิดกลับมารู้สึกตัวก่อนอย่าปล่อยให้ความหวังตรงนั้นนะ่ะ มันก่อล่างสร้างตัวเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ความหมังมันก่อล่างสร้างตัวขึ้นไปเป็นเรื่องราวใหญ่โตเนี่ยท้ายสุดเราก็จะไปติดนะครับหลงอยู่กับเรื่องราวตรงนั้นนะครับไม่อยู่กับความเป็นจริงที่เป็นปัจจุบันนั่นนั่นคือตรงเนี้ยนะครับมาอยากให้พวกเราเนาะได้เหมือนกับเพียนนะครับเพียนที่จะคอยรู้สึกตัวกันเนี่ยเรารู้สึกตัวเป็นครั้งครเนี่ยนะครับมันจะช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นมากๆ ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตเราจะพัฒนาจริงๆแล้วพอชีวิตเราพัฒนาเนี่ยนะครับหลายๆคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เรียกว่าก็เป็นสังคมนะครับชีวิตแต่ละคนพัฒนานะครับสังคมจะพัฒนาแน่นอนสังคมไม่ได้พัฒนาด้วยจะมีบ้านเรือนใหญ่โตมีรถใหม่มีถนนใหม่มีอะไรต่างๆแต่สังคมจะพัฒนาได้ด้วยว่าเมื่อจิตใจของเรานะครับมันดีงามขึ้นมานะครับอย่างนั้น พวกเราก็คงนะครับรู้ตัวกันอยู่นะครับว่าเมื่อก่อนเราก็เป็นคนคุมดีคุมลายเนาะอย่างนั้นวันหนึ่งเดี๋ยวก็มีเรื่องดีเดี๋ยวก็มีเรื่องร้ายไม่รู้จะกี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะครับอย่างนั้นมีเรื่องดีขึ้นมาแล้วก็อดภูมิใจไม่ได้มีเรื่องร้ายขึ้นมาก็เดือดเนื้อร้อนใจไปมาตรงนี้นะครับมันเป็นเรื่องอันนั้นก็เรียกว่าเป็นเรื่องแบบโลกโลกนะครับแต่ว่านี่คือพอเราหัดปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับเราลองนะครับมีสติอยู่เคียงกายเราเนาะนะครับ มีสติคอยดูแลจิตใจเรานะครับเวลาที่เราจะเคลื่อนไหวจะเหลียวซ้ายแลขวาลองเติมความรู้สึกตัวก็ไปลองเติมความรู้สึกตัวเข้าไปหลวงพ่อว่าพวกเราทําได้แล้วหลวงพ่อว่าพอทําได้เนี่ยผลนะครับมันจะดีกว่าเดิมหลวงพ่อว่าเราลองดูบางทีนะหลวงพ่อเองก็เหมือนเหมือนพวกเรานี่แหละบางทีนะครับอยากจะดูอะไรสักอย่างเหลียวซ้ายแลขวาเนี่ยหันทีหนึ่งก็ขอเกรดเนา คอนเครตต์ก็ยังไม่พอนะก็ต้องไปหายากินกินยามาดีก็แพ้ยาอีกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างเงี้ยจากเรื่องหนึ่งมันก็ขยายผลออกไปนะครับเกิดเรื่องเกิดราวเลยเยอะๆต่อๆไปเพียงแต่ว่าเราเนี้ยกลับมาคอยรู้สึกตัวก่อนได้ยินเสียงก็ดีนะครับเห็นอะไรบ๊อบๆ๊แบบบบก็ดีตั้งใจนิดนึงเดี๋ยวซ้ายดูใช่ไหมครับอย่างนี้อการเหลียวของเราเนี้ยมันจะงดงามกว่าเดิมนะครับการลุกการนั่งเลงตาหนาๆแล้วเนี้ยถ้าเราเติมสติมืันไปเนี่ย ลองสังเกตนะครับลองสังเกตกายของเราเนี่ยเป็นยังไงหลวงพ่อว่าตรงนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยได้กันเต็มๆและที่สําคัญนะครับว่าการที่เราคอยสังเกตคอยสังเกตคอยสังเกตพนี้ท้ายสุดเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าจะบอกเอาไว้เนี่ยนะครับว่านะครับธรรมชาตินะครับของสิ่งมีชีว io, these, um una, ิตนะครับธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่อยู่ในโลกเนี่ยนะครับ มันมีกฎของไตรลักษณ์ใช่ไหมครับมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความไม่มีตัวตนถ้าพวกเราได้เห็นตรงเนี้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเราจะเห็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพราะว่านั่นคือมันจะทําให้ทุกของเราเนี่ยนะครับลดลงเยอะๆแล้วก็ บนเส้นทางนี้ครับมันจะเด็นเส้นทางที่พวกเราเนี่ยจะมีศรัทธานะครับที่จะพัฒนาตัวเองไปตรงนั้นเพราะว่านั่นคือมันเป็นเรื่องที่ชีวิตของเรามันจะเบาขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นสิ่งที่ก็เรียกเราก็จะทาแต่คุณงามความดีนะครับการไม่ทําบาปทั้งปวงการทากุศลให้ถึงพร้อมนะครับแล้วก็การชําระจิตของตนให้ขาวรอบเนี่ยก็จะเกิดขึ้นจากการที่เรา รู้สึกตัวเป็นครัง้งครัง้งครั้งครั้งตรงนี้ลองสังเกต ด, ดูนะครับพวกเรากราบพระพร้อมกัน